บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่นานสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในเรื่องของอุ ป, ปาทานคือจิตที่มีความยึดมั่นถือมั่นในสัตว์และในสังขารทั้งหลายนั้นเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากจิตที่ประกอบด้วยตัาหาในอารมณ์ทั้งหลาย เพื่อเกิดความเข้าใจอาการของธรรมะโลนีอย่างชัดเจนต่นได้อธิบายเห็นว่าสภาพจิตใจของบุคคล น, นั้นมีเชื้อคือธาตุของความดีและของความไม่ดีอยู่เรียกว่าธรรมธาตุหรืออธรรมธาตุแต่ในส่วนธาตุนั้นก็กระจายตัวเองออกไปตามลักษณะของเขาเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป ในอุปาทานแต่ละข้อจึงสืบเนื่องมาจากตัวธาตุคือธาตุที่มีอยู่ภายในใจเขาแปลว่าบุคคลผู้ใดได้ถ่ายถอนตัณหาและอุปาทานออกไปได้ซึ่งก็หมายความว่าธาตุคือเชือ้อภายในใจก็ดับไปหลังจากนั้นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวหรืออารมณ์อะไรก็ตามก็จะไม่เกิดทั้งความยิน ด, ดีและความยินร้ายในอารมณ์เหล่านั้น วันนี้ผู้ศึกษาทมปฏิบัติธรรมจะสังเกตถึงสภาพจิตบางอย่างที่มีการถ่ายถอนตัณหาและอุปาทานในบางอารมณ์ออกไปเวลาเราไปสบไปประสบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทางตาหูเป็นต้นความยินดียิน ร, าาร้ายการไขว่คว้าปรารถนาที่จะครอบครองสิ่งเหล่านั้นตลอดถึงยึดติดสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นเช่นสมมติว่า ไปเห็นของเด็กเล่นจึงมีวางขายอยู่ในที่ต่างๆถ้ามองถึงตันหาอุปาทานในสมัยเด็กก็เกิดทั้งตันหาทางอุปาทานในของเด็กเล่นเหล่านั้นแต่ในปัจจุบันของเด็กเล่นก็มีการจําหน่ายกันอยู่ในท้องตลาดแต่ว่าจิตใจของบุคคลมีเหตุผลมีสติปัญญามากขึ้นมีการวิเคราะห์ตัดสิน สิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของตนในขณะ น, น, นั้นได้อยู่บางระดับวันทําให้ตันหาและอุปาทานในตุกตาก็ไม่เกิดขึ้นแสดงว่าเวลาเห็นตุกตาหรือแม้แทตุกตานั้นจะแตกทำลายไปใจก็ไม่ขึ้นลงด้วยอำนาจของความเสียดายด้วยความพอใจอเป็นการแสดงถึงจุดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นจุดเล็กๆ ที่เมื่อปัญญาของบุคคลเกิดขึ้นก็จะลดตัณหาเมื่อลดตัณหาก็จะลดอุปาทานอรรารมณ์ลดนั่นลงออไปในเมื่อเราโตขึ้นโดยลำดับมีภูมิธรรมมีสติปัญญาสูงขึ้นแม่สิ่งที่ตอนวัยหนึ่งเรารักไคร่ปรารถนาพอใจเช่นการเที่ยวสนุกสนานตามสถานเรื่องรมต่างแต่ลักษณะของอารมณ์แล้ว ก็เป็นที่ตั้งของความใคร่ความเพลิดเพลินกำนัดจินดีของคนเป็นนันมากแต่พอดีสติปัญญาเหตุผลก็เพิ่มขึ้นแล้วก็มีกา ร, รวิเคราะห์ตรวจสอบถึงสาระแก่นสารของสิ่งต่างๆตะนัในอารมณ์เหล่านั้นก็ลดอุปาทานก็ลดลงไปใจจึงไม่มีการไ่อยคว้าปรารถนาที่จะดูจุฟังและความยึดติด ในสิ่งเหล่านั้นว่าหน้าใคร่นับปรารถนาหนาพอใจก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งบางคราวนั้นเป็นช่วงของความคิดในแต่และช่วงคราวนี้านสาารชนถึงสังเกตความคิดของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นตัวอย่างในช่วงหนึ่งท่านก็กำหนัดเพลิดเพลินยินดีอยู่ในการในการละเล่นต่างๆ ถึงเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียค่าใช้จ่ายเป็นนั้นมากเพื่อไปดูการและเล่นเหล่านั้นให้รางวัลแก่บุคคลเหล่านั้นแล้วก็เลี้ยงดูบริษัทบริวารของตนวันเวลาก็ผ่านไปด้วยใจที่กระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลายแล้วกลายเป็นอุปท า, านคือความยึดติดถ้าไม่ได้ไปก็รู้สึกว่าขาดไปใจก็จะดิ้นรนกระสับกระสายทานอง คนที่เป็นนักเล่นการพร น, นันนักดื่มหรือนักเชี่ยวทั้งหลายใจก็กระสันอยากอยู่ดนเรศถต่ไม่ได้ไปก็จะเกิดงุดงิดมีความรู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรไปแต่จากการดูดนั่นเองว่าหนึ่งสติสัมปชัญญะมีกำลังมากขึ้นก็มองภาพการการแสดงเหล่านั้นเองแต่มองทะลุลงไปที่ผู้แสดง าการแสดงที่จริงก็เป็นมาจาเป็นการเสียแซงเป็นการปรุงแต่งขึ้นก็ไม่มีใครเป็นอะไรอย่างนั้นจริงๆและแม้แต่ผู้แสดงเองก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นเพียงกองแข่งขันทา่าอาชตนามาเกาะคุมประชุมกันก็มีการบัญญัติกันว่าคนว่าสัตว์ว่าสวยว่าไม่สวยเป็นตน้นแต่ในที่สุด แต่สมมติที่ซ้อนก็นอยู่สองชั้นคือสมมติว่าบุคคลผู้นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นตามบทของละครที่กำหนดให้แสดงมัก็ไม่เป็นจริงแล้ว่าการสมมติว่าคนนั้นคนนี้คนโน้นมีลูกเต้าของคนนั้นคนนี้คนโน้นก็ไม่ได้เป็นจริงแลที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือสมมติทั้งสองตอนนั้น แล้วก็จริงเวลาไม่อีกอีกไม่นานก็จะต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วก็น้องกลับมาหาตนน้องตนก็ไปหาบุคคล น, นั้นก็มองเห็นเป็นสภาพเช่นเดียวกันซึ่งลักษณะการมองก็เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้ามองเทวดาทุตก่อนที่จะตัดสินพระไทยสเสด็จออกไปนวดแล้วมองจากตัวนอกก่อนมองจากบุคคลแก่คนเจ็บคนตายก่อนแล้วก็น้องก็มาหาพระองค์ ภาษาที่บรชพระโมกคัลลานะก่อนที่จะบวชเป็นภิกษกุก็มองอย่างนั้นคือมองผู้แสดงซึ่งเคยเป็นที่ตั้งแห่งความชื่นชมยินดีของท่านเองก่อนแล้วก็มองย้อนมองไปสู่อนาคตคือล่วงไปสู่อนาคตที่ท่านกำหนดไว้เพียงร้อยปีก็จะต้องแก่เท่าพัชราลงไปอยู่เกินร้อยปีก็ต้องตายพระรา แต่ก็กลับมาหาที่ตัวท่านซึ่งก็จะเห็นว่าท่านและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่านบริษัทบริวารก็จะตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันและในทีสุดก็มองเห็นชีวิตเป็นวงจรที่หาจุดจบไม่ได้ทำให้มุ่งแสวงหาทางที่จะหลุดพ้นจากวงจรเหล่านั้นที่มีการแก่เจ็บตายหมุนวนกันอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดในที่สุดท่านก็ออกบวชอย่างที่ทราบกัน เพราะลักษณะของอารมณ์ทั้งหลายที่ท่านมองจะเกิดเป็นตถาคตเกิดเป็นอุปาทานนั้นจริงๆแล้วตัวอารมณ์นั้นแหละที่เมื่อปัญญาได้บังเกิดเพิ่มพูนขึ้นภายในใจของบุคคลก็ใจสิ่งเหล่านั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะถ่ายทอนตานาอุปาทานในวัตถุในอารมณ์ในบุคคลเหล่านั้นออกไปจนถึงกับ ชะละละไปได้อย่างสิ้นเชิงในที่สุดเพราะนอาการของอุปาทานที่กราบมาทั้งหมดมันก็สืบเนื่องมาจากตัณหาหรือว่สืบเนื่องมาจากกิเลสประเภทที่มีชื่อต่างๆ่าง ก, การมุปาทานถือมั่นด้วยอานาจความใคร่ในสิ่งที่ใจคนไปกาหนดว่าใคร่คือจะต้องมีอยู่สองตัวถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งมันก็ไม่เกิดความใคร่ขึ้นมา คือใจเราจะต้องมีกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่และใจนั้นจะต้องกำหนดวัตถุข้างนอกซึ่งผ่านมาทางตาหูจมูกเลี้งกายว่าเป็นวัตถุที่น่าใคร่นะปรารถนาน่าพอใจแต่ถ้ามีเพียงด้านเดียวมันก็อยู่ในสภาพที่เราเรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดัง วัตถุข้างนอกอาจจะประณีตสวยงามมีการประดับประดาปรุงแต่งไว้ด้วยประการต่างๆแต่กิเลสเป็นเหตุให้กําหนดหมายเช่นนั้นเราไม่มีแล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นโดยใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุลักษณะเหล่านี้เวลาสอนบางครั้งก็เป็นรูปของการสอนเป็นบันไดไต่ขึ้นไปเช่นคําสอนใน่สงซ้ายคำว่าชลังคุเบขา รุเบืขาในอารมณ์ทั้ง6กอายตนะภายในของเราก็ตาหูจมลิขกายใจนั้นไม่ได้พิการหรือไม่ได้บกพร่องไปแต่ประการใดแล้วข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณตัวมีที่คนกำหนดว่าสวยงามน่าใครนะ่น่าปรานาน่าพอใจกันอยู่แต่พอดีเราก็วางเฉยคือโดยอาศัยความรู้เท่าทันเรงความจริงของสิ่งเหล่านั้น เห็นว่ารูปก็สักแตว่รูเสียงก็สักแตว่เสียงกลิ่นก็สักแทว่กลิ่นรสก็สักแตว่รสจินร้อนนั่แข็งก็สักแตว่ายินร้อนนั่แข็งอารมณ์ก็สักแตวะอารมณ์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่ประการใดใจที่รู้เท่าทันในลักษณะนี้เป็นการเป็นใจที่แยกตัวเองออกจากวัตถุเหล่านั้นได้ แต่ไม่ใช่ไปทําลายวัตถุเหล่านั้นเพียงแต่ใจไม่ไปเกี่ยวเกาะด้วยอํานาจความกําหนัดด้วยความกัดเคืองซึ่งการบัตทธานีท่า น, นสาธารชนทั้งหลายพึงสังเกตในเรื่องของศีลเช่นอาทิตนาทานคือทรัพย์สมบัตินั้นก็มีอยู่สุราก็มีอยู่คนสัตว์ที่เราจะฆ่าได้ก็มีอยู่บุคคลที่จะล่วงละเมิดทางประเวณีก็มีอยู่หรือเรื่องที่น่าจะโกหกมันก็มีอยู่ แต่จิตใจเราไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าที่จะลักที่จะประพฤติผิดในทางประเภทีที่จะโกหกที่จะดื่มสุราสุรามันก็เป็นศัตว์แต่ว่าสุราคนสัตว์ที่บุคคลเห็นควรฆ่ามันก็เป็นคนเป็นสัตว์ทรัพย์ก็ศัตว์แต่ว่าทรัพย์เป็นการแยกใจออกจากวัตถุเหล่านั้นแต่ไม่ได้ไปทําลายวัตถุเหล่านั้นวัตถุเหล่านั้นก็คงเป็นวัตถุหลัง ตามสภาพของเขาจะสวยงามหรือไม่สวยงามก็เป็นเรื่องของเขาเพราะประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ใจในเรื่องของที่ถูกปาทานเองก็มีลักษณะอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาจากความเห็นซึ่งลึกๆแล้วภายในใจของคนนั้นจะมีความเห็นที่ลึกๆอยู่สองเรื่องใหญ่ๆแต่ตามปกติคนไม่ค่อยสังเกตว่าที่ติดเราเนี้อยู่ภายในใจเราแล้วเช่นว่าการ ต้องการคอยควาปรารถนาให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างโน้อนอย่าได้เป็นอย่างที่เราไม่ต้องการให้เป็นถ้าเรามองแล้วคล้ายๆจะเป็นไปได้แต่ในแง่ของธรรมปฏิบัติแล้วค็จะพบถึงอาการของโมฆะคือความเขาที่ไม่รู้เท่าทันถึงความเป็นจริงรเพราะแท้จริงแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน การที่เราตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นได้เนี่ยอันนี้มีอะไรในโลกนี้บางครั้งก็อาจจะทําได้เพียงชั่วประเดี๋ยวประดาไกลๆก็ทําตุกตาในน้ําแข็งมันก็ทําได้ระยะสั้นๆแต่น้ําแข็งแกก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของแกาอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่อากาศหนาวน่าจัดมันก็อยู่ได้นานหน่อยาอากาศร้อนประเดี๋ยวมก็ละลายไปหมด ความเป็นตุกตามันก็จบไปแม้แต่ความเป็นน้ำแข็งมันยังจบไปสแสดงให้เห็นว่าอะไรสะแสดงให้เห็นว่าภายในใจของบุคคลที่ไปคิดอย่างนั้นว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างอื่นมันมีความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเทียงแล้วสามารถที่จะบงังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่ตนต้องการได้เป็นความคิดต่ฝืนกติธรรมดาแล้วก็ปฏิเสธสิ่ง ที่ตนสัมผัสอยู่ในชีวิตปัจจุบันเราไม่ต้องเอาอะไรหรอกแม้ตัวเราเองเราบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้จะกล่าวไปยังการที่จะไปบังคับควบคุมสั่งกา ร, ระะต่อวัตถุสิ่งของเราความคิดในแนวที่จะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโ น, น้นจึงถือว่าเป็นสัตสตทิฏฐิขัดแย้งกับกฎความจริง เราก็ลามปลามหายไปทั้งอาการของกิเลสและอาการของทุกเกือบอาการของสมุทัยและอาการของทุกหรือบางคนเมื่อไม่ชอบจริงชังอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ต้องการไม่ปรารถนาก็คิดจใจสิ่งนั้นทําลายไปสูญหายไปตายไปแต่ก็มีความรุนแรงที่จะให้เป็นอย่างที่ตัวต้องการจะให้เป็นแต่ว่าจริงแล้วสิ่งนั้นก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเขาเหมือนกัน เมตตาใจให้ดำรงอยู่ยังมีอยู่เขาก็ต้องดำรงอยู่เราจะรู้สึกช่างรู้สึกปรารถนารู้สึกต้องการที่จะให้เป็นไปคือแตกทําลายไปอย่างที่เราต้องการมันก็เป็นไปไม่ได้แต่กืนไปทําข้าวเขาก็กลายเป็นการเพิ่มบาปมากยิ่งขึ้นลักษณะการเพ่งเล็งที่จะเป็นอย่างที่ให้แตกทําลายไป น, นั้นก็เป็นอาการของโมหะเป็นอาการของโทสะ เปการของความอาฆาดพยาบาท็แล้วแต่จะแรงขนาดไหนเมื่อเขาไม่เป็นไปตามที่ต้องต้องการโธสัตว์มันก็เกิดขึ้นรุนแรงรุนแรงแล้วจะคุมกายคุมวาาิชาตัวเองไม่ได้มันก็ออกมาในกุศลทุจริตจึงมีการฆ่ากันมีกา ร, ากกการทำลายทรัพย์สินกันมีการล่างพรานกันในลักษณะต่างๆเป็นต้นวันจับใดที่ความรู้สึกเหล่านี้ยังมีอยู่ความคิดในแนวที่จะ มุ่งมา่ปรารถนาให้สิ่งที่เราชอบเป็นไปตามที่เราต้องการสิ่งไม่ชอบก็เป็นไปตามที่เราต้องการแต่ว่าต้องการคนละด้านเราคงจะรบกวนจิตใจของบุคคลอยู่รับไว้แล้วก็พร้อมที่จะก่อให้เกิดเป็นความรู้สึกรุนแรงในลักษณะเหล่าอื่นขึ้นมาโดยลำดัดำบมันอาจจะอยู่ในช่วงหยาบช่วงกลางและช่วงละเอียดก็ได้ข้อต่อไปนั้นท่นนานทรงใช้คำว่าอัตวาทุ ป, ปาทาน คือจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าตนข้อนี้ท่านสาธุชนจะต้องเข้าใจในกลุ่มธรรมอีกอย่างหนึ่งว่ากลุ่มธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นถ้ากลุ่มธรรมน้อยคือองค์ธรรมน้อยขอบข่ายของธรรมะจะมากเท่านบางครั้งทรงใช้คำสติอย่างเดียวหรือสัมปชัญญะอย่างเดียวหรือสติสัมปชัญญะหรือหิริโอตปะเป็นต้นเท่านี้เราตเกีทรงใช้คำถึงสองคำ ฮิริอุตตะปะแต่กลายเป็นธรรมะคุ้มครองโลกได้พอคลายของฮิริอุตตปะใหญ่โตกว้างขว้างมาแต่ถ้าเรามองให้ชัดจะเห็นได้ว่าจิตจะแว่งไปด้วยอํานาจของฮิริได้อุตตะปะฮิริเป็นความลายต่อ บ, บาปอุตตปะสะดุ้งกลัวต่อ บ, บาปเพราะงั้นบาปอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นทางไตรถวาวรคือทางกายทางจาจทางใจของบุคคลฮิริก็จะปิดกั้น กระแสของบาปเหล่านั้นเอาไว้จะเรียกชื่ออย่างไงไม่สำคัญเพราะว่ากลัวต่อผลของบาปซึ่งเป็นอาการของอดับบาปแต่ในขณะเดียวกันบุคคลก็ต้องการที่จะไม่กระทำบาปเพราะปรารถนาผลที่รอดพ้นจากบาปใจมันก็จะวิ่งเข้าสู่กระแสของกุศลแล้วในการปฏิบัติก็จะมีความระมัดระวังเพราะใจนั้นเกียด บ, บาป แม่บาปเพียงเล็กน้อยก็รังเกียจขยะขยงไม่ต้องการที่จะให้ไม่เกี่ยวข้องกับจิตใจของตัวเองอย่างที่พรเจ้าทรงอุปมาเห็นว่าเหมือนกัญชาพิษเหมือนกาซรพิษเหมือนกับไฟคือแม้เพียงเล็กน้อยก็จะไปดูหมินแต่คนเหล่านั้นก็พร้อมที่จะเพิ่มพูนบุญกุศลจะเล็กน้อยหรือจะมากก็ตามเพราะว่าใจที่รังเกียจบาปนั้นก็คือมีความพอใจในด้านใดด้านหนึ่ง ถ้าทำนองใกล้ๆกับคนไม่ต้อง่านไปด้านขวาก็แสดงมาต้องการไปด้านซ้ายคนไม่ต้องการไปด้านซ้ายก็คือต้องการไปด้านขวาบางครั้งจะส่งแสดงแนวเดียวบางครั้งก็แสดงไปสองแนวเราทานองการไม่ผ่านการควบบัณฑิ ต, ตซึ่งอันที่จริงแล้วก็ทําได้ด้านเดียวถ้าคผ่านก็ไม่ได้ควบบันดิตควบบัณฑิตก็ไม่ได้ครบผ่าน ถึงก็คล้าๆกับคนไม่ต้องการไปด้านซ้ายก็ต้องไปด้านขวาหรือไม่พอใจด้านขวาก็ต้องไปด้านซ้ายนัย่นเองกลุ่มธรรมะเหล่านี้เมื่อกามุป า, า, าทป า, านก็มีอยู่แล้วทิฏฐปาทานก็มีอยู่แล้วอัตวาทุปาทานจึงเจาะจงเฉพาะอาการของความคิดที่เกิดขึ้นจากมานะสังขารชนคงได้คุ้นกับคำว่าตัณหามานะทิจจิ ติวะเจ้ารงใช้บ่อที่สุดมีความรู้สึกว่าเป็นของเราด้วยอานาจของตัณห like าในที่นี้ก็กลายเป็นการมุปาทานไปแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราด้วยอำนาจของจิตในที่นี้ก็มีที่ถูกปาทานอยู่แล้วเพราะคําคำว่าอัตวาทุปาทานจึงเป็นอาการของมานะที่มีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอยาน่างนี้เราเป็นอย่างนั้น ตัวมานั้นจะมีอาการหลายๆอย่างมีลักษณะตีเสมอท่านมีลักษณะผมท่านมีลักษณะดูหมินตัวเองจนถึงก็มีอาการแข่งดีอาการแต่ละอย่างนั้นเป็นทางเพิ่มของบาปของขุศสนขึ้นภายในจิตใจของบุคคลและการกระทำของบุคลคลความรู้สึกในแนวนี้บางครั้งก็ทรงเรียกว่าอาหาังการ คือเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นแต่ความยึดถือในการเป็นนั้นจะมีอยู่สองตอนเพราะมานะเป็นกิเลส ท, ที่มีความละเอียดในระดับหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นจิตสานึกหรือสัญญามีความสานึกที่จะรับผิดชอบในสถานภาพของตัวเองเช่นเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นยังไง เป็นอุบสกบาตริกาที่ดีเป็นยังไงเป็นสัมณะที่ดีเป็นยังไงเป็นธรรมเนนที่ดีเป็นยังไงเป็นต้นอย่างนี้ทรงใช้คำว่าสัญญาถ้าถามว่าเป็นอาการขมานะไหมบอกว่าบางตอนก็เป็นแต่เป็นความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็เปลี่ยนพยายามรักษาสถานภาพของตนที่เป็นอยู่ให้ถูกต้องสมบตร ในพยายามที่จะพัฒนาให้เข้าถึงอุดมการณ์ของความเป็นในแต่ละสายเรียกว่าเป็นอุบาสกบาศิกาที่พึงประสงค์เป็นระบบของคุณธรรมไม่ใช่แสดงถึงสถานะทางทรัพย์สินความรู้หรือว่ฐานะเราอื่นแต่เป็นการแสดงถึงการพัฒนาคุณธรรมขึ้นไปอยู่ในจุดที่เป็นได้มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งที่ทรงกําหนดไว้เป็นอุปสกรัตนะ์อุปาัติการัตนะ์คืออุปสมผแก้วอปาติการแก้วกทรงกําหนดไว้เพียงหข้อท่านนั่นงซึ่งบุคคลจะต้องดิ้นรนใช้ความเพียรพยายามที่จะเป็นให้ได้และมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นโดยลำดับนั่นก็คือการมีศรัทธาอย่างมั่นคง กรามสัตทานนั้นที่จริงจะรู้มั่นคงหรือไม่มั่นคงมันก็รู้ได้ยากอพอพอกับเรื่องของศีลการรักษาศีลถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติไม่มีอารมณ์รุนแรงที่มลลักษณะยัว่วยวนอ่ายัว่วยวนหรือว่ายัว่วยุให้เกิดการฆ่าการทำลายในความคิดที่จะฆ่าหรือการฆ่ามันก็เกิดขึ้นไม่ได้เราก็รู้ไม่ได้เหมือนกันว่าศีลเราจะมั่นคงขนาดไหน ไม่ได้มีอารมณ์ยุโยยวนให้เกิดความอยากได้ทรัพย์สินเงินทองที่มีค่าของบุคคลอื่นเราอาจจะแสดงสถานะของความเป็นผู้มีศินอยู่ในขณะนั้นๆได้แต่ปัญหาสําคัญว่าถ้าไปมีวัตถุที่น่าจะล่วงเกินน่าจะหยิบฉวยเอาไปเพื่อยึดครองเป็นทรัพย์สินของตนหรือว่ามีอารมณ์ยุโยยุยยวนมาจะถึงเพิ่มความเข้มข้นรุนแรงไป็นเหตุ้ต้องฆ่าต้องทํำลายกัน จะฆ่าทำลายหรือไม่จะลักขโมยหรือไม่จะล่วงเกินในทางประเวทนี้หรือไม่หรือจะโกหกหรือไม่อันนี้นก็ต้องมีอาการคือมีอารมณ์มายุ่ยยุที่เรียกว่ามากระทบเพิ่ง อ, อาจจะกระทบซ้ําๆำซากๆแล้กระทบเพียงครั้งเดียวอาจจะไม่เป็นไรแต่ปัญหาว่าถ้ากระทบหลายครั้งจะเป็นอะไรไหมเรื่องศรัทธาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคืออยู่ในสภาพปกติเราอิทธิพิโสก็กล่ากันได้ แต่บางครั้งบางคราวมีเหตุการณ์รุนแรงแทรกซ้อนขึ้นเราได้รับทราบข่าวคราวเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกับพระัตนตรัยจิตใจเรายมั่นคงต่อพ ร, รัตนาตรรยหรือไม่ซึ่งจะเห็นได้ว่าศรัทธาที่เป็นอจลสัสศรัทธาคือมั่นคงไม่หวั่นไหวที่จะทำให้บุคคลผู้มีคุณธรรมเหล่านั้นเป็นอุปสมบทรรกะอุปสิการัตนะนั้นเอาก็จริงแล้วจะต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบพอสมควร ในข้อนี้ก็ส่งแสดงวิธีการทดสอบพิสูจน์ก็คือว่าเชื่อในกฎของกรรมไหมเชื่อในการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมมีกรรมเดิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมมีที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามหรือไม่แน่นอนเราอาจจะสวดได้สาธยายได้แล้วก็บอกว่าเชื่อ แต่อารมณ์ที่มาท้าทายพิสูจน์ทดสอบมีหรือเปล่าข้อนี้เราจะพบว่าในกรณีที่คนอันเป็นที่รักของเราประสบความิบัติเดือดร์ดใจเราเอียงด้วยอํานาจอะไรบ้างหรือไม่หรือในกรณีที่คนซึ่งเราไม่ชอบประสบความิบัติเดือดร์ดเรามีความรู้สึกซ้ําเติมไหมอยากใย้มันแรงกว่านั้นไหมเช่นว่าศาลตัดสินก็สิบปีมันน่าสักร้อยปี มันมีความคิดตอนนี้เกิดขึ้นไปในใจหรือไม่หรือว่าศาลตัดสินคนนั้นเป็นที่รับของเราซึ่งก็ทําผิดเป็นที่ไปจักแจ้งมีพยานหลักฐานเอกสารยืนยันได้ว่าเป็นคนทำผิดจริงศาลตัดสินที่จะประารตัดสินทีาาน่30ปีความรู้สึกว่าตัดสินมากไป เ, เกิดขึ้นใหม่หรือว่า การมองเห็นว่าสารลําเอียงเกิดขึ้นได้ไหมคื่แต่ละอย่างนั้นเอากระจิงแล้วเป็นขณะจิตแต่ถ้าเรามองในแง่กฎของกรรมได้จิตใจเรามีความมั่นคงได้เราคุมความรู้สึกนึกคิดเหล่านีออกไปได้มันลนักษณะของอัตวาทุปาทานก็เหมือนกันมาณว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างน้นบางครั้งก็จะเกิดอาการดุมิ่นคนดิ่น คนที่รูปสวยก็ดูหมิ่นคนอื่นที่รูปไม่สวยคนร่ำรวยก็อาจจะดูหมิ่นคนอื่นที่ยากจนคนมีความรู้ก็อาจจะดูหมิ่นคนที่มีความรู้น้อยคนที่ได้สถานะทางเศรษฐกิจทางสังคมดี <c oughs> ก็อาจจะดูหมิ่นคนที่ได้สถานะทางเศรษฐกิจทางสังคมไม่ดีคนที่กุมกำลังอำนาจทางทหารทางการเมืองทางเศรษฐกิจอยู่ก็จะดูหมิ่นคนอื่นนี้แสดงว่ามานะเขาแรง แต่บางคนมานะอาจจะไม่แรงขนาดนั้นในกรณีที่ไม่มีการกระทบแต่บางครั้งเช่นเรามีความรู้สึกว่าเรามีความรู้มากแล้วมีคนปฏิเสธหรือไม่ยอมรับความรู้ของเราเราเกิดโกรธไหมคือต้องดูอีกด้านหนึ่งในบางทีเราอาจจะดูด้านว่าไม่ยินดีแต่ถามว่ายินร้ายหรือเปล่าถ้ายินร้ายก็ถือว่ายินดีอยู่นั่นเองเพียงว่า ตัวยินดีเรากรบเกลื่อนไว้ได้พอถึงตัวยินไรเราก็ข่มไว้ไม่ได้อาการความยินได้ก็ปรากฏซึ่งก็หมายความมาจริงๆก็จะยินติเพราะตัวให้เกิดอัตวาทุปาทานนั้นเป็นอาการของมานะดังกล่าวแล้วก็อาจจะดึงอะไรต่อมิอะไรเข้ามาอีกเป็นอันมากเป็นเหตุเสริมมานะของตัวเองจนถึงกับ มีการตัดสินวินิจฉัยเอาตัวเองเป็นฐานในการตัดสินวินิจฉัยสิ่งต่างๆซึ่งว่าที่จริงแล้วถ้าเอาใช้เป็นมันก็ดีเพราะอะไรเพราะว่าการมองถึงสภาวะความจริงที่เป็นจริงอย่าในมหาสติปัฏฐาน น, นสูตรนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเอาตัวเองเป็นฐานเหมือนกันเพียงแต่มองกันคนละมุม ไม่ใช่มองที่ให้เพิ่มกิเลสแต่เป็นมองให้เพิ่มธรรมมองให้เกิดรู้เท่าทันทั้งความเป็นจริงมา ก, กิ่งขินในกายานุปัสสนาตติปัฏฐานดูลมหายใจเขาออกก็ลมหายใจของเราตุริยาบทสยืนเดินนั่งนอนรู้เท่าทันริยบบททั้ง4ก็อิริยบทของเราทุริยบทย่อยสารพัดของความเคลื่อนไหวก็ดูความเคลื่อนไหวของเราดูที่ธาตุสี่ ดินน้ำลงไฟก็ดูที่ตัวเราดูที่ความปฏิกูลของผ ง, ผงคลในผนังเป็นต้นก็ดูที่ตัวเราก็เห็นจะมีซากศพอย่างเดียวที่ไม่ดูที่ตัวอื่นดูที่ซากศพซึ่งปรากฏอยู่ในที่ น, น, นั้นแต่ว่าน้อมเข้ามาหาเรา ทำให้เรามองเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่ากิเลสมันเกิดขึ้นในจุดใดก็จะสลายกิเลสในจุดนั้นคล้ายๆกับความร้อนมันอยู่ในที่ใดต้องการจะให้เย็นมันก็ดับในตรงนั้นคื อ, อไม่ใช่ไปดับในที่อื่นแลักษณะของอัตวาตุ ป, ปาทานหรือการมุ ป, ปาทานหรือทิฏฐุ ป, ปาทานก็เป็นเช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นปรุงจิตก่อให้เกิดความยึดติดด้วยอํานาจของกามของชิติและของมานะ เวลาต้องการจะลดละบรรเทาความรู้สึกรุนแรงในด้านนี้ก็ส่งสอนให้สงบระงับประดับไปในจุดที่มันเกิดนั่นเองเพราะนิพพานเกิดในที่ใดกิเลสก็ดับไปในที่นั้นกิเลสอยู่ในที่ใดนิพพานก็เกิดขึ้นในที่นั้นญาณิวัจเจ้าทรงอุปมาว่าอาวิชชาดับไปอวิชชาเกิดขึ้นอวิชชาดับไปแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไป ตึงก็หมายความว่าก่เลสกิเลสปรากฏอยู่ในที่ใดเมื่อธรรมะเกิดขึ้นในที่นั้นจอดก็จะทำหน้าที่สลายกิเลสให้สงบประงับจนถึงดับไปในที่สุดตามกาลังความสามารถแห่งกุศลธรรมที่บุคคลได้บกระทําบาเพ็ญได้บางเกิดขึ้นตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืกต่อไป